พระธรรมมงคลญาณหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเป็นพระภิกษุสงฆ์ในศาสนาพุทธมี 93 ปีพรรษา 73 ชาติกำเนิดพระ ภาชนารมกับนางมั่นบุญชีคุณเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคมพุทธศักราช 2463 ปีวอกแรม 13 ค่ำเดือนอ้ายณสถานีรถไฟปากเพียวจังหวัดสระบุรี 7 คน เมื่ออายุประมาณ 15 ปีพุทธศักราช 2477 ก็ได้ 22 พฤษภาคม 2477ณวัดสุทธจินดาตำบล โดยพระธรรมมถิติยานเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากบรรพชาได้ 10 เช่นในบางวันเดินธุดงค์ข้ามเขาเกือบ 50 กิโลเมตรก็ไม่ย่อท้อโดยถือภัตติที่ว่ารักความเพียรรักธรรมะ ตลอดถึงการผิดศีลเป็นเช่นนี้ทุกคนพวกเธอนั้นก็เพื่อเลี้ยง อย่างเรานี้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่อนาถรร้อนใจเพราะความดีเราทํามามาก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2484 ท่านมี 21 ปีได้อุปสมบทณวัดทรายงามหนูเจ้า เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์กงมาจิระ วันหนึ่งหนึ่งพระอาจารย์กงมาก็ 4 ปีได้เดินทุดงร่วมกับพระอาจารย์มั่นเดินทุรดงร่วม เมื่ออ่านให้ท่านฟังภายหลังท่านกลับรับรองว่าใช้ได้ท่านฟังภายหลังท่านกลับรับรองและญาติธรรมทุกท่านใน ขอได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อด้วยเจ้า สวัสดีอาราธนาเทศน์แต่ก็คงไม่ ตั้งแต่บวชมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งมา เพราะเพราะว่าเมื่ออายุ 13 ปีใน แล้วได้ใช้ชีวิตเด็กบ้านนอกค่าสัตว์คือหมายความว่า ก็เป็นวันจำเพาะเผอิญเพื่อนนั้นน่ะไม่ใช่เพื่อนผู้ชายแต่เป็น ในที่สุดเราก็ทนความอ่อน หลวงพ่อก็ต้องไปนั่งใกล้ๆกับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนเจ้าๆๆหลวงพ่อ มาหาที่ตรงไหนตรงหนึ่งที่ศาลามันชั่วโมงในชีวิต 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 6 ทุ่ม นายขนนาที่นั่งอยู่นั่นน่ะบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อนะอ่าเล็ดว่าไม่มาอีกแล้ว คนธรรมดานี่แหละเออไปถึงโอ้โหมันสวยมันโอ้โหบุญของพระพุทธศาสนานี่เนี่ยทําให้เรา ในขณะที่เอ่อหลวงพ่อเอ่อไปอยู่ 4 ชั่วโมงเพราะว่าตั้งแต่ 2:00 น. ถึงเที่ยง เขาก็จะหันทานวัดแต่ว่าท่าน ให้โอกาสหลวงพ่อก็เข้าไปกราบแล้วก็ถามว่าโอ้วิริยังฉันยังเนี่ย รัฐท่านไม่ได้สมาธิสักเท่าสมาธิ เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนจิตใจของบุคคลได้หลวงพ่อเป็นผู้ที่มีความเพี้ยมพลดข้าปลาเป็นว่าเล่นดักแยเป็นว่าเล่นสารพัดทําได้ ในครอบครัวเนี่ยหนักคือตั้งแต่นั้นมา ก็เกิดเป็นอัมพาตขึ้นเมื่อเป็นอัมพาตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าร่างกายของเรา ก็ได้อดิษฐานถ้าใครมารักษาอาพาธ 7 วัน ตาพุทธเจ้าหนูหนูอธิษฐานเพื่อจะทํา หลวงพ่อก็ได้รับรองสามทีไปเลยไม่ต้องพูดอะไรมากว่าได้ โลกอมภาชเนี่ยต้องไสยภาพบำบัดต้องอะไรสารพัดแล้ว ผมบวชเนี่ยผมบวชต้องการอยากผม 4 ปีได้ การทำสมาธินี่สามารถเปลี่ยนจิตใจของบุคคลได้ท่านทั้ง ความสำเร็จจึงไม่ได้เกิดขึ้น พวกเราอาจจะสอนกันผิดไปอยู่บ้างเรายังไม่ได้วางพื้นฐานอะไรเลยจะสอนกันผิดไปอยู่ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ของเราตายไปเรื่องเนี่ยเอ่อถ้าเรา การมันต้องมีพื้นฐานสมาธิเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานถ้า ก็จะต้องวางพื้นฐานให้เข้าซะก่อน หลวงพ่อมั่นท่านเปรียบเทียบบอกว่าเราพา ถ้าเป็นที่ถีมีเงินเท่าไหร่หมื่นล้านแสนล้านรู้มั้ยว่า ผลรู้รู้เฉยๆอย่างเนี้ยมันพ้นไม่ได้เพราะ เพราะฉะนั้นเอ่อหลวงปู่จึงสอนหลวงพ่อบอก ถ้าหากว่าผู้ที่มาเรียนสมาธิภาคใต้สถาบันพรังจิตานุปาถ ตอบได้หมดทุกคนคือประสมของสมาธิคือ บุคคลผู้ใดสามารถบริกรรมทําจิตให้เป็น 1 เมื่อ อยู่ที่เราเนี่ยจรถาวเอ่อสาวเอ่อหมายความว่าอยู่อย่างถาวรคือเมื่อ เราทําสามารถทําพลังจิตให้แก่เราแล้วเนี่ยเรา เราทำร้อยมันก็สูดกินเข้าไปมันก็มันก็เลยไม่ได้มีการสะสมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติผลทางกลางผลสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธินี่คือสมาธิที่เอ่อจริงๆเนี่ยมันมีอยู่เพียงคําเดียวเนี่ยที่จะให้เป็นๆเนี่ย เพราะว่าโตกว่านั้นก็ใส่ปาก สมาธิเนี่ยมันจะมีอยู่เอ่อ 2 ประการหลวง 2 ประการประการ 1 น่ะเค้า 2 นั่นคือสมาธิที่สร้างขึ้น เอ่อเป็นมนุษย์แล้วเราจะมีสมาธิธรรมชาติสมาธิ สมาธิไม่มีแล้วมันก็จะเป็นใจเป็นคนบ้า เราได้มานั่งสมาธิกันฝึกสมาธิเหลือเหลือจากเอ่อสมาเหลือจากสมาธิธรรมชาติสมาธิ โดยพระพุทธเจ้าสรรณหรือพระพุทธเจ้าแนะนํา เหมือนกับสมาธิธรรมชาติแต่ได้เงินมาเหลือเค้าเรียกว่าเหนือ พอพระลังจิตสะสมตัวมากขึ้นก็กลายเป็น สมาธิที่สร้างขึ้นเมื่อสะสมพลัง น่ะเป็นสมาธิที่เราได้สร้างขึ้นมาทีนี้เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วสมาธิเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ ที่เป็นสมาธิที่เรียกว่าสะสมพลัง สมาธินี่ก็จะต้องมีการเดินจงกรมเค้า สร้างสุขภาพกายอิดด้วยธรรมดาสุขภาพกายเนี่ยมีความสําคัญ มีการเอ็กเซอร์ไซส์ให้ร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในร่างในร่างกาย ได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเสสมพลังจิตได้มากขึ้นมากขึ้น เมื่อความเห็นแตกต่างกันไปความ เมื่อพลังจิตไม่เพียงพอไม่สามารถจะควบคุมจิตใจได้ เราได้มีการทยอยยามที่จะสร้างพลังจิตเนี่ยให้เพียงพอคือสามารถ ถ้าเราทําได้โยมก็ทําได้อย่างเนี้ยมันก็ ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขโรคอยู่เย็นเป็นสุขเพราะคิดเนี่ย สมาธิเราก็ควรจะเป็นอย่าง 4 ปีเรียก 12 เพเนี่ยหลวงพ่อศึกษา โยคัพหลวงพู่มั่นก็เป็นทสอ่า อย่างถ้าอย่างหลวงปู่ก็มีความรักเท่าไหร่หลวงพ่อก็ได้หมดนะ เอ่อบีบเราก็ตกใจนี่ไม่สําคัญมาสําคัญมาบีบให้ มาจากหลวงปู่กงมาได้ท่านออกมาสอนประชาปีหลวงพ่อก็เป็นอาจารย์ปีสอนประชา รวบรวมกลายเป็นตำรามันกลายเป็นตำราเนี่ยหมายความว่าตำราที่โน้นตำรา เอ่อเป็นสากลที่สากลนี่ก็หลวงพ่อก็ผิดเหมือนกันทั้งครูทั้งพระผิด เนี่ยผิดไปผิดมาก็หลวงพ่อมีพระเป็นหลายร้อยออมอือลักษณะ ให้ยอมนี่แหละเป็นอาจารย์หลวงพ่อก็ Meditation Instructor Course นี่เค้าเรียกภาษาอังกฤษ 6 เดือนแล้วก็อ่า แล้วก็เป็นๆเพราะว่าเมื่อเรียนแล้วต้องสอบสอบถ้าสอบได้ผ่านแค่นั้นแล้วก็ฝึกสนามบนดอยอินทนนท์อ่าเสร็จแล้วก็ สามารถที่จะมีอ้ออ่านตัวหน้าได้อาจารย์อาจารย์เสรีอาจารย์เสรีนี่เค้าเคยทํางานป่าไม้เอ่อแล้วที่นี่ ให้เป็นครูทีนี้การที่จะขยายงานของหลวงพ่อ เป็น 20 ปีอย่างหลวงพ่อก็เร็วที่สุดเล่า 12 ปีอ่าแล้วก็ 10 ปี 20 ปีแล้วก็หา 10 ปี 20 ปีแล้วพวกเดือนเนี่ยเนี่ย แล้วมาเรียนด้วยเวลานี้โคราชขนแกนอุบลอุดรหนองทรายเออเปิดหมดไม่ ทีนี้มีคนประท้วมบอกว่าสอนสมาธิก็เป็นพระยอมจะไปสอนได้ยังไงอ่า มีพระอยู่ 60 องค์พวก 10 องค์นั้นน่ะท่านเรียนจากแล้ว 60 องค์เค้าก็ไปในป่าเอ่อไปพักอยู่บ้านไปพักอยู่ชนบท ผู้ใหญ่บ้านเค้าก็เอาน้ําอัศจบันน้ําเพิ่งมาอง 60 องค์ระหายไปไหนหมดพระท่านก็บอกว่าตีละคัง รักยومสำ เมื่อばร่εί jogoจบร้อมจิยораกัน ธาสมนัพ์ทำอย่างงั้นฉันทำไม่ได้เลยตรง currentlyว่า hatten good to soup ay bean bahan afterloo barambling. guitarYeahussen. man f20. f20.95. assigning Maria hFFDinnr 버�emat In해주 her. aquí old or성이 Dead. yoyo PDF. วไ parsley즘 Southwest Aa Dead. vampa frock for the administration then opened it.רא For the symptoms of the human rights. among that, yahoo yanlış. teachings and Frankensteam. You're not sure. nutri 2000.ięcy 2000. gsm ra.ij yom. wealth. CM Donc. ハ Oh!ได้ซี้ yom It's แล้วก็ได้ดวงตายานด้วยก็ได้ดวงตาญาณด้วยมองดูพระอาจารย์เนี่ย อาหารแม่พ่อมันทํายังไงมันก็ไม่ได้สําเร็จและพระว่าองค์พอออกพรรษาก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์หมดเค้าก็เลยแซง <c oughs> เออโวยขอใจผู้ใหญ่บ้านส่วนนั้นนี่คือเป็นตัวอย่างอันนึงที่ว่าเริ่มเอ่อปิดครู เอออย่างนี้จริงๆว่าหลวงพ่อก็จะซ้อมไปเผยแพร่เผยแพร่ประเทศไทยแล้วยังไม่พอหลวง บวดมาตั้งแต่เล็กมาตั้งแต่เล็กหลวงพ่อก็ไม่ได้ไป 79 อายุเริ่ม ABCD อ่าที นอนพอเลยที่ 3 แล้วไม่ต้องงอน 3 4 5 6 บวกแจ้ง 1 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมงท่องศัพท์ A B C D E F G H I J K N O P Q R หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสก็ไม่กล้าสอนเอ่อก็ you start to meditate, you matter, you have overweight emotion. When you uh, start to recite, bhuttho start to meditate, you recite bhuttho, recite perva bodhikam, bhuttho, bhuttho, bhuttho. Uh, after, after that, you have one point, After that, you have meditation. After that, you produce my power. My power, admiration, which is your mind. Embedded in your mind and permanent. More and more you practice. My power, uh, collection, which is your mind. Increase, and then you have strong my power. Nā. Yeah. ก็พูดได้นะไม่ใช่ไม่พูดไม่ได้อ่าเออแล้วฝรั่งมันก็ฟังออกทีนี้อือไอ้อันดับแรกเนี่ยหลวงพ่อยอมรับว่าผิดบ้างถูกบ้างรุ่นแรกหลวงพ่อไปแหละ มันก็ชอบแล้วมันก็มากันใหญ่ชอบแล้วมันก็มากันใหญ่แปลกเพราะล่ะไอ้คนที่ๆเนี่ยไม่มีก็ใครฟังหลวงพ่อไปสอน หลวงพ่ออธิบายธรรมะมันแฝงมันมันมันมันถึงหัวเราะแต่จริง 3 หน้ากระดาษหลวงเวลา 5 ชั่วโมงก่อนจะต้องไปสอน แล้วได้สอนกันกับท่านฝรั่งเวลานี้ที่แคนาดาเนี่ยจากแอดมันตันไปเปิดจากเคนเจอรี่ไปเปิดจากวินคูเวอร์ไปเปิดจากโตรอนโตไปเปิดที่นั้นตกเยอะแล้ว เพราะมันจะสอนกันเองหมด instructor หมายความว่ามัน ในเรื่องของสมาธิยิ่งมากแล้วเนี่ยหลวงพ่อเดินไปไหนเนี่ยมันเอาอะไร มันจะมาแทรกซึมที่จิตของเราและมันจะ เอ้ยแกเอามาทําไมบอกว่าผมไม่เอ้าเป็นยังไงแกมาชวนมันวิ่งรถไปเค้าปาดหน้ามันมันโอ้หลวงพ่อ เกี่ยวก็แปลว่าตะลามมันก็เลยเอาปืนใส่กระเป๋าขึ้นๆ ให้แก่เด็กเด็กก็จะกลายเป็นเด็กที่มีความฉลาดและให้หนุ่มสาวหนุ่มสาวก็จะมีความฉลาดให้กับคนที่มีอายุคนที่มีอายุก็จะได้ไม่ต้องเศร้าโศกเวลาตายอะไรเหล่าเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์ แล้วก็สละเวลาเขียนสําหรับตําราขึ้นมาจนกระทั่งได้ประโยชน์ หลวงพ่อตายไปลูกศิษย์นี่ก็สอนต่อได้แล้วก็สอนก็แบบเดียวกับหลวงพ่อด้วยเพราะว่า นั่งสมาธิมีความสุขจะโอ้นั่งสมาธิสมัยเป็นไงบารมีญาณเราที่ มรรคผลธรรมพิเศษนับเป็นโกรธได้ยังไงก็แล้วพอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าสําเร็จเลยประเทศนี้ เมื่อสะสมพลังกิริตให้มากแล้วนี่วิริยังท่านยัง 10 ปี แล้วหลวงปู่ท่านก็ไปถามหลวงปู่มั่น เรามีครอบครัวก็เป็นประโยชน์การทําการทํางานอะไรเร 10 วันก็อย่างเงี้ยอย่างปฏิโมกเข้ามาเร 16 เดี๋ยวนี้ยังท่องได้ยังยังสวดได้อยู่อายุ 94 แล้วนะ มีเรามียุวสาสมาธิหลวงก็มีหมดๆ สอนว่าอันนี้นรกเอ่อแกกินเหล้านานนรกเอ่อแกไป แกอย่าไปคดโกงประเทศชาติเคารพชมรัชทรรย์เลยทําให้คนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไอ้คนเมาก็เมา กินเหล้าแล้วเขาจะเอาน้ําทองแดงกรอกปากเอ้ยกรอกปากมาใส่ปากกูมันก็กลาย บุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลก สัพพปาปัสสะอการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุสลสุปสัมปทาการ แต่ว่าพวกกินเหล้าก็ยังมากอยู่เท่าเก่าเยอะยิ่งมากกว่าเก่าไปอีกคนลักคนขโมย ก็ตนของตนเองโดยการที่มาทำสมาธิเมื่อทำสมาธิแล้วจิตนี้มันจะเข้าภวังค์เมื่อเข้าภวังค์แล้วก็จะกลายเป็นฌานพลังจิตก็จะ สมาธิภายใต้สาบันพลังจิตตานุภาพเคยกินเหล้าเมาโสรา คำสอนก็ดีอยู่ที่คำสอนเท่านั้นตัวของบุคคลไม่ได้ดีตามคำสอนไปด้วยเพราะ ตราบรอดไปก็เนื่องด้วยความที่มีสามารถที่ ไปในทางที่ถูกไปในทางที่ควรเอ่อปิดเกียรติซึ่งอบายภูมิทั้ง 4 ไม่ ก็ใจเปิดขึ้นแก่ อวสานการเป็นที่ประสงค์ของการบรรยายในวันนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวรรณะสุขะ E wam ko mi dvoj prakarajane. Sato...